สถานที่ตรงนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าท่านในชั้นของหลักฐานในวิสุทธะชนะวิลาสีอัตถกถาของคุธกาณิกายอปท า, านท่านกล่าวไว้บอกว่าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพระพูพระพยพภาคเจ้าพระองค์นั้นก็มีเศรษฐีชื่อว่าปุณณะพัมิตรตัก ซื้อที่โดยปูลาดอิดทองคำสร้างสังคารามประมาณหนึ่งโยดลงณที่นี้แหละที่เกี่ยวกับสร้างเชตวันมหาวิหารโยดหนึ่งก็คือ16กิโลเมตรในะสถานที่ตรงนี้1โยดคือ16กิโลเมตรปูด้วยอิดทองคำนะลาดปูด้วยอิดทองคำทั้งหมดเลยแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชา นั่นเป็นฐาน บ, บดรีของพระศ า, าสดาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาในสมัยพุทธเจ้าสิขีพุทธเจ้าก็มีเศรษฐีชื่อว่าศิลิวัฒนะซื้อที่ดินโดยปูลาดผ่านทองคำสร้างสังคารามในประมาณสคาวุธ1คาวุธก็ประมาณ4ีกิโลเมตร3คาวุธก็12กนะิโลเมตรในี่ปูด้วยอะไรผานทองคา เลี้ยงติดๆๆกันเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็ที่เชตวันมหาวิหารอย่างนี้นี่แหละต่อมาพระผู้มีพระภาคย้าวนามวเวสภูพระพุทธเจ้านานนักกว่าจะมาอุบัติแต่ละองค์แต่ละองค์เศรีฐีชื่อว่าโสธียะซื้อที่โดยปูราดด้วยรอยเท้าช้างทองคำท่านทาทองคาเป็นรอยเท้าช้างนี่ เพราะพระธรรมคาสอนของพระศาสดาเนี่ยที่ว่าความไม่ประมาทเนี่ยประชุมลงในรอยเท้าช้างก็ถวายเป็นพุทธบูชาตเต็มพื้นที่เหมือนกันเป็นทองคำเลยประมาณกึ่งโยอดกึ่งโยอดกึ่งโยอด ก, ก็ประมาณ8กิโลเมตรความกวาม้างดูท่านมีศรัทธากันนีดน ลงในพื้นที่ที่สร้างเชตวันมหาวิหารสมัยพระพุทธเจ้ามีนามว่ากากูสันทาพระพุทธเจ้าเศรษฐีชื่อว่าอจจุตตาซื้อที่โดยการปูราดอิฐ ท, ทองคำเมื่อกันสร้างสังขาราม 1. นคาวุธก็ประมาณ4ีกิโลท่านว่างั้นเนะี่ยที่เกี่ยวกับที่สร้างเชตวันมหาวิหารเนี่ยดูสิดูศรัทธาของแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็จะมีเศรษฐีประจําตระกูลเนี่ย ที่จะต้องเป็นทานบุตรีเป็นผู้เลิศ ก, กว่าอุบาสกทุกท่านในด้านของทานในสวยของอุบาสกเนอะสถานะนี้ใครจะอธิษฐานไม่จำกัดนะอย่าไปคิดว่าโอ้เราด้ทราบเราได้ทราบนี่เข้าที่ฐานอนาคตใช่ไหมทีนี้มาสมัยพระเจ้าโคนโคนาคนามนาพระเจ้าเศรษฐีเชื่ออุคฆาในซื้อที่โดยปูราดด้วยเต่าทองคำ สร้างสังคารามเน่กึ่งขาวุธก็ประมาณทั้งสกิโลเนียุคนึงสองกิโลสมัยโน้นกับสมัยนี้ต่างกันเลยสมัยโน้นกับสมัยนี้ก็ต่างกันเลยลงในพื้นที่ที่เกี่ยวกับสร้างเชื้ตะวันมาในสมัยพุทธเจ้าน้ำวัคคสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเศรษฐีชื่อว่าสุมังคล้ซื้อที่ปูราได้ไม้เท้าทองคําใช้ไม้เท้าทองคําปูราดติดๆๆกันอย่นึ้ยเต็มพื้นที่ 16หกรีดอามายังค้นหาหลักฐานไม่เจอคำว่า16หกรีดท่านมหาท่านอาจารย์บิาลา ร, รุ้เขนับยังไง16หกรี8 1ปสิบหกกรีที่ในวัตตาปริที่เขาสวดอัตติโรเกซีรากุโนสัตังโสเจ ย, ยนุตยาไกลกว้างนะไม่ใช่ไม่กว้างนั่นอะใช้เมเาวาทองคำโอ้ใครเจอหลักฐานว่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยขอ เอาคิดเป็นบุญตาบุญใจว่าจะกว้างสักแค่ไหนเนี่ยต้องกว้างแน่นอนไม่ใช่แคบแคบพ่อมายุคพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเศรษฐีชื่อว่านาถปินิกาปูราดได้รัพย์18โกดกหาบันนะใช้เกวียนบรรทุกมาเนี่ยปูครั้งแรกเนี่ยไม่เต็มพื้นที่ขาดส้มกระโดดเป็นร้อยเล่มเกวียนยนะปูติติติตตต ต, ต พอจะปูอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเชิดบอกโอพอพ อ, พอขอขอข อ, ข อ, ขอไว้ที่จริงที่จริงที่แรกเนี่ยพีหลุดปากพูดแท้จริงตนเองอยากจะอยากถวายเนีเอาที่จะปูดได้เท่าพื้นที่อนึกว่าจะไม่มีคนกล้าไงเยอะพอปูจริงก็บอกแม่ไม่ไม่ยอมไม่ยอมเพราะไม่ยอมต้องขึ้นศาลนึศาลตัดสิน ว, ว่าพูดไปแล้วไม่ได้แล้ว โอ้โหพระเจ้าเชตพระเจ้าเชิดเลยขอพื้นที่เฉพาะตรงซุ้มประตูสิบปดโกดเอาเงินมาสร้างซุ้มประตูด้วยเขาอย่างนั้ด้วยนะี่ต้นไม้บอกไม่ขายเนะี่ยถวายต้นไม้เป็นพุทธบูชาด้วยฟังแล้วน่าตื่นเต้นดีน่าตื่นเต้นนะแล้วประเพณีลักษณะอย่างนี้แขกเนี่ยมีเรื่องไม่นานเขาเล่าไปฟังกันมายังฟังฟังแล้วย่งนึกประหลัดประลาด เขาซื้อที่ตรงนี้วัดเชตะวันอคนไทยมาซื้อที่จะสร้างวัดนี่ยใครที่จะไอก็ปิดแมสเข้าไว้หนึ่งลมแรงปิดเห้ติดจมูกด้วยจะได้เออเพราะฝุ่นจะไม่เข้าจมูกจะได้ไม่ไอเนี้ยมามาบรรยายธรรมะหรือมาสอนการติดแมส <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็คือ เขาก็ซื้อที่พอซื้อเบสเสร็จพอหลังจากขายกันเบ็ดเสร็จแล้วนั่นเบสเสร็จแล้วเนี่ยแค่์เขาบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นไม่นานเขาบอกว่าเขาขายแต่พื้ น, นเด่นเขาไม่ขายต้นมาโอ้โหเป็นเรื่องเลยต้องทำยังไงอะไรนี้คนไทยก็จะทํำยังไงดีก็เลยบอกยื่นเรื่องเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น ให้รีบเอาเตินไม้ออกภายใน24ชั่วโมงงั้นถือว่าเตินไม้บุกลุกเน่เป็นเรื่องที่แคร์เล่นกับคนไทยเข้าพปอพออกันร้ P <an> แต่นี้อย่าไปคิดใน้มุมก็คือว่าให้เห็นอะไรให้เห็นศรัทธาของเศรษฐีเหล่านี้ท่านมีศรัทธาจริงๆ นั้นไปวัดใจท่านไม่ได้หรอกท่านใจเต็มร้อยท่าน ก, ากน็ร่างถ้าพูดถึงบูชาพระรัตนตรัยแล้วชีวิตยังบูชาได้เดี๋ยวว่าจะซับภายนอกอยู่ไหมซับภายนอกเป็นของเล็กน้อยมากไม่ได้สําคัญอะไรเลยชีวิตเขายังบูชาได้คนที่เขาถึงพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยแต่ยังเราท่านทั้งหลายเนี่ ย, เ, ยเราฟังนั้นเพื่อให้เป็นอัธยาศัย ใจจริงๆเนี่ยยากถ้าไม่พัฒนาให้ขัดเกลาให้ดีๆแล้วเนี่ยยากนักยากนักยากหนาที่จะสามารถพัฒนากระแสความคิดให้ได้ถึงขนาดนั้นเป็นต้นได้ทีนี้ในสาวัถีดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเ น, เนี่ยพระบรมศาสดาเนี่ยแวดล้อมโดยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยกรุงราชคลทรงประทับที่ป่าศรีตะวันสมัยนั้นน า, นาถาปิณิกาเสตี ชื่อเดิมก็คือสุทัตตาเศรษฐีเอาเกวียน500ร้อนบรรทุกสินค้าไปยังกรุงราชคลีพอไปในเรือนเศรษฐีผู้เป็นสหายรักเน่ยราชคลีหาเศรษฐีเนี่ยสดับว่าพระบรมศาสดาบัตเกิดขึ้นแล้วในกรุงราชคลีในเวลาใกล้รุ่งเข้าไปเฝ้าพระศาสดาประตูที่เปิดด้วยเทวานุภาพเนี่ยฟังธรรมแล้วตั้งอยู่ในโสดาปิผลใช่ไหมรายละเอียดมาสรุปถึอย่างนี้นี่ยในวันที่สองก็ถวายมนาทานเดมพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ก็ได้กาบทูลพระบรมศาสดารับรรชนานิมนต์เพื่อต้องการให้เสด็จไปยังนครสาวัตถีคือที่เนี่ยที่แฟนโคโซนนี่แหละในรายางระหว่างทางก็คือ45โยชน์จากกรุงราชคลึกมานี่ย45โยชน์ในยุคนั้นนไม่ใช่ยุคนี้ 2,000 กว่าปีนี้ได้ให้ทรัพย์1 0 0 0 0แสนสร้างวิหารในที่ทุก1โยชน์1 0 0่งแสนกหาพนาสร้าง ทำไมต้องสร้างทุกหนึ่งโยอดสร้างให้พระาศาสดาประทับพระาศาสดาจะได้ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะวรากายมากปรารถนาพระาศาสดาประทับที่จริงก็คือบูชาพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์นั่นเองบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองเห็นมไหมเมื่อสร้างกัไว้แล้วพระาศาสดาก็อนุเคราะห์ทุกถึงโยอดไอ้ทุกโยอดไหมก็อนุเคราะห์โดยการใช้สอยวิหารนั้นเนี่ยนะ พอหนยอดก็16กิโลก็ประทับ16กิโลก็ประทับอยู่อย่างเงี้ยนะไม่เคยมีใครสร้างแบบนี้สักทีเนาะทำได้อย่างนี้เลยในะยุคปัจจุบันนะมีไหมสิบหกกิโลสร้างที่จะรู้ว่าเออนิมนต์พาสักหมืน่นโลนี่เนะจาลิกเดินทางในะสร้างที่แต่ละ1นึกิโลเมตรสิกิโลเมตรนะย้อนยุคสัทีเนอะนะย้อนยุกสัทีในพะาเดินกันเนอะถึงที่ตรงนั้นก็ ไม่ใช่แค่สร้างวิหารอย่างเดียวถวายอาหารดูแลด้วยต่ยปัจจัยด้วยทั้งหลายเหล่านั้นด้วยและท่านก็บินาวบานท่านอยู่แล้ยังไม่เคยทำเหาอเ <c oughs> นี่ยท่านก็ทําท่านอย่างเงี้นะแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะเสดเด็ดไปยังกรุงสาวัตถีในระหว่างสี่สิบห้าโยชน์ก็ได้ให้ซัพย์แสนสร้างวิหารด้วยทุกแห่งแล้วต่อมาก็มาซื้อที่ดินนี่หละสร้างวิหารเนี่ย สิบแปดโกรธเอาเงินเนี่ยเอาเงินโกรธน่ปูเต็มพื้นที่แล้วก็เริ่มก่อสร้างเออก็วันนี้ก็มีซีร่รบกวนกันเยอะดีทีนี้อนาถพาินิการเศรษฐีเนี่ยได้บรรลุธรรมยังไม่ที่ฟังธรรมว่าเมื่อเช้านี้นะได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปธรรมดาก่อนจะสร้างวิหารได้ดูว่าพระพุทธเจ้าแสดงฐานรกถาศีรกถาสักขากถากรมมธีนวะกถาเนคคำมานิสังสาาาักถาท่านแสดงยังไง ร, รู้ไหมในชั้นของคําสอนเนีพระาศาสดาก็ตรัสใช่ไหมที่บอกว่า อนนาถาปินฑิกาเศรษฐีที่ภาษาสดาสแสดงเรื่องทานนักถาก่อนแล้วก็สีลักถาเป็นต้นเหล่า น, นี้เป็นไปตามลําดับหมายถึงภาษาสดาทรงสแสดงนะถามบอกว่าอนุปพิกถาหมายถึงอะไรคําที่เป็นไปโดยลําดับก็คือว่าคือแสดงศีลต่อจากทานแสดงสวรรค์ต่อจากต่อจากศีนแสดงเรื่องมรรคต่อจากสวรรค์เป็นต้นในอนุปพิกถาในทานกถาเป็นคําที่ทรงแสดงคุณการให้ทาน บอกว่าทานนี้เป็นเหตุแห่งความสุขเนื้อพระศาสดาก็แสดงเจตนาทานแสดงอโลพะทานแสดงวัตถุทานใช่แสดงวิรติทานทั้งหลายบอกว่าเป็นมูลเหตุแห่งความสุขเป็นมูลเหตุแห่งสมบัติเป็นที่ตั้งแห่งโพคาสมบัติเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเล้นเป็นที่ดำเนินไปและเป็นที่พึ่งของผู้ที่จะไปสู่ทุกติ คนที่จะไปทุกขติเนี่ยถ้ามีทานกุศลเนี่ยเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนแล้วก็จะออกจากอบายทุกขติวินิบาตารกเป็นต้นได้ฉะนั้นพระบรมศ า, ศาสดาก็ปารบทานกถาว่าเป็นที่พึ่งได้อย่างไรไม่มีที่อาศัยเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เป็นที่ต้านเป็นที่เล่นเป็นที่ดำเนินไปเป็นที่พึ่งพิงสิ่งใดในโลกนี้จะเสมอด้วยทานที่จะไม่มีนในโลกนี้และโลกหน้า ท่านเลยบอกว่าเป็นสิงหาดแกลเพราะเป็นที่พึ่งเนี่ยเป็นมหาปตพีเพราะเป็นที่ตั้งฐนะานนักกุศลเนี่ยนะประดุจทางพื้นแผ่นดิ น, เ, นเป็นที่ตั้งสิ่งของได้เป็นเชือกยึดเพราะเป็นอารมณปัจจัยถามว่าเราเนี่ยเราได้ปูฐานนักุศลเนี่ยนะฐานนักุศลมาตั้งแต่วันแรกเลยวันที่22่สิใช่ไหมเราขึ้นไป ไปเาบูชาทานากุศลที่ภูเขาขี้จิกูดไปกันมาได้ยังยังพอนึกได้อยู่ไหมเป็นอารามนาปัจจัยเป็นอารามนาธิ่ปดีเป็นอารมามนาวันิสยาได้ไหมเป็นอารมณ์ที่เป็นที่อาศัยแล้วคิดที่ไรแล้วจิตใจผ่องใสไมล่ละอย่างนี้เขาเรียกเป็นเชือกเป็นเชือกยึดโยงจิตใจเราไม่ให้หลุดจากการที่จะนึกถึงสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละก็เลยเป็นเชือกยึดแล้วพอวันที่สองวันที่23ก็ไปนู้นเลยใช่ไหม สถานที่ตัสรู้สามมาสมามโพธิญาณของพระผู้มีภาคเจ้าแล้วก็เอาผ้าไปถวายเอากายและชีวิตไปถวายเป็นพุทธบูชาที่พระพุทธเมตตาที่พระแท่นวัชระอาที่รัตนะที่อนิมิตเจดีรัตนะจงกมรมรัตนะคณะเจดีอาชาปารานีโคสามุจลินเจดีแล้วก็ราชายานนาเจดีใช่ไหมสถานที่7แห่งสัตตะมหาสถาน เป็นเชือกยึดโยงจิตใจของเราให้นึกได้ตลอดเวลาไหมถ้านึกได้ตลอดเวลานั่นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นเชือกยึดโยงทําให้จิตใจของเราเนะนี่ยไม่หลุดลอยจากธานาเจตนาวัตถุเจตนาวัตถุทานแล้วก็อารมพธาทานทําให้จิตใจของเราคิดถึงทีไรก็เกิดความผ่องแพ้วเกิดความสุขเกิดปีติเกิดปลาโมดเกิดสุขโสมณะตเกิดขึ้นนีนะแล้วอยู่ต่อมาก็มาที่วาลาสี ที่เจ้าคันธีสถูปทําเมฆกสถูปใช่ไหมแล้วต่อจากนั้นเออเราก็ไปบูชาถวายทานเจนตนาหมดเลยนะวัตถุทานก็ถวายถวายก็ร่างกายและชีวิตด้วยนึกออกไหมว่าที่ธรรมราชิกาสถูปกับทําเมฆกสถูปและสถานที่พระคันกุดีของพระศ า, าสดาเป็นต้นเสาโสมใช่ไหมฟังนึกดูดีนะนั่นนะคือเป็นเชือกยึดโยงจิตใจของเราท่านทั้งหลายทั้งนั้นแหละแล้วก็มาและแตเนี้มาที่ปรินิพานสถูป แล้วก็ไปบูชาพราะปรมศาสดาสถานที่พระสสดาทิ้งขันธภาระให้แก่พญามานแล้วก็ได้ถวายผ้าตรีจีวรได้ถวายของหอมได้ถวาถวายเสียงเป็นพุทธบูชาดอกไม้ทูบเทียนเจตนาก็บูชากันอย่างยิ่งใหญ่เลยยุ่งแล้วต่อไปก็ไปที่นู่นและที่ลุมบินีวันแล้วก็ไปบูชาสถานที่พระสสดาใช้พระบาทเหยียบชมพูทวีปเป็นครั้งแรกโอ้โหที่ตรงนั้นใช่ไหม แล้วก็ตื่นเต้นเลยได้บูชาพระบรมศา ส, สดาด้วยผ้าด้วยของหอมด้วยดอกไม้แล้วก็ไปมอบกายถวายชีวิตไปปฏิญญาถวายเป็นพุทธบูชาต่อมาก็เดินทางกันมา 7-8 ชั่วโมงเลยใชม่มาถึงเชตวันบางท่านนอนไม่ค่อยหลับบางท่านก็หลับสบายแล้วแต่เชือกมันขาดไปเป็นบางช่วงบางช่ว ง, ง, งก็ยังให้เชือกคืออารมณปัจจัยมันขาดน้อมระลึกให้มีความตื่นเต้น เรามีสายยึดโยงแล้วมาวันนี้เมื่อเช้าก็ไปที่บ้านของอนาถาปินธิกาเศรษฐีกนี่เาเรียกว่าอนาถาปินฑิกาสุูธหรือสุูธขององคุริมันไปน้อมถึงดูบ้านท่านก่อนมาดูบ้านเบ็ดเสร็จแล้วก็มาคำนวณดูดูที่วัดที่ท่านสร้างแล้วก็ยึดโยงเศรษฐีในอดีตตั้งแต่พระวิปสัสสิสรมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเศรษฐีประจา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นทานนาบดีเลยที่ได้รับเอตทะคายิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะเป็นอุบาสกซึ่งเป็นทานนาบดีจะมาไล่มาตามลำดับจนถึงองค์ปัจจุบันคืออนาถาปินทิกาเศรษฐีล้วนแต่ปูเงินปูทองถวายที่เหล่านี้เป็นพุทธบูชาทั้งนั้นเอามาก็เอาทองมาปูเหมือนเดิแต่ภคตะไดทองน้อย <c oughs> แต่ไม่เป็นไร อมามน้อมสักการะทั้งหลายถวายเป็นบูชาเพราะเราไม่ได้หวงสิ่งเหล่านี้ถ้ามีเท่าไหร่เอามาไปถวายเท่านั้นน้อมในรักท่านอยูตรงนี้ก็คือเป็นเชือกยึดเพราะเป็นอารมณ์เข้าใจคําว่าเป็นอารมณ์หรือยังบางท่านก็แค่เป็นอารมณะเฉยๆอารมน์เป็นปัจจใจเฉยๆเบาๆธรรมดาคิดออกทุกเรื่องบางท่านเป็นอารมณนาเทบดีเป็นอารมนูปณิสัยเลยคิดทีไรแล้วตื่นเต้น ประดุดดังปรากฏเฉพาะหน้าถ้าใครสามารถทำได้ขนาดนั้นเนืกลับไปเมื่อไรคิดเห็นทุกจุดทุกมุมเลยหลับตาเห็นหมดเลยเห็นภูเขาคิจกูเห็นวัดเวดูวันเห็นชีวะกะอัมภวันเห็นนาลันทามหาวิหารหยเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์เห็นรัตนะเห็นพระพุทธเมตตาเห็นรัตนบัลลังก์รัตนคละเห็นหมดเลยแล้วก็เห็นวรนสีเนื เห็นเจ้าคันทีสถูปเห็นธรรมะกัสสุูปแล้วก็เห็นปรินิพานสถูปเห็นมกุฏพานธนะเจดีใช่ไหมเห็นสวนลุมินีวันสถานที่พระสัสดาเหยียบพื้นแผ่นดินครั้งแรกแล้วก็เห็นอะไรกันต่อมามาเห็นเชตวันมหาวิหารโอ้โหอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่อารมณ์ธรรมดาเป็นอารมณตเป็นอารมณนาธิบดีเลยนะเป็นอารมณ์เป็นที่อาศัยที่มีกําลังอย่างแรง คิดทีไรแล้วตื่นเต้นเน่ยไม่อยากคิดแล้วก็เฉยๆคิดหลับๆตื่นๆหลับๆตื่นๆในนี้ก็เรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าคิดไม่เป็นฟังทำยังมัวกังวลเรื่องอื่นพวกนี้เนี่ยเสียหายหมดนะเนี่ยฟังทำอย่าเอาใจไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยพวกนี้ไปฆ่าตัวเองเยอย่าไปทําบาปนะท่านทั้งหลายเวลาฟังทำอย่าให้อะไรแทรกถ้าท่านปรารถนาเป็นคนมีปัญญาเนียปรารถนาบรรลุธรรมเนี อย่าให้บาปแทรกเด็ดขาดอันนั้นเป็นการตัดตอนการบรรลุธรรมของตนเองเนี่ยมาเตือนไว้กันหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะบรรลุธรรมต่อหน้าพระพักภร์พระศาสดานหรือปรารถนาจะฟังธรรมหรือตึกตองธรรมพระธรรมให้ได้ตลอดสายนยอย่าทำกรรมอะไรให้ไปแทรกในขณะฟังพระธรรมแล้วท่านทั้งหลายจะประสบความสาเร็จในชีวิตอันนี้เรื่องจริงเป็นอย่างนี้ ถ้าเรารู้จักภาษาสดารู้จักพระธรรมของภาษาสดารู้จักสงสาวกของภาษาสดาเราจะไม่ให้อะไรแท้แม้บาปในใจจะแทรกยังป้องกันบาปได้เลยเอาอย่างนี้นะว่านางที่เป็นภรรยาของพันดุละมหาเสนาเซพันดุละเสนาบดีขณะจะไปปาลบทานกุศลไปฟังทำอย่างภาษาสดาอย่นะี้สามีและลูก ถูกฆ่าตายในสงครามที่พระเจ้าเปอร์เซนิที่โกศลนี่แหละเราแวงอะรแวงพันธุราระแวงอาหมาตตนเองพร้อมด้วยบุตรชายเก่งเกินไปและมีคนยุโยงกลัวว่าจะคิดกบฏก็ลวงไปฆ่าเลยหมดเลยฆ่าพ่อฆ่าลูกเหลือเหลือตอนเองคนเดียวคนใช้มาบอกตอนนั้นกำลังจะฟังทำเจริญโกศลเนี่ยคนใช้มากะซิบบอก บอกว่าพ่อและลูกนายที่เป็นลูกตายในสงครามหมดแล้ว น, น, น, นางจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไหเวลาพระถามเกี่ยวที่ว่ามีของอะไรแตกของใช้หล่นแตกบอกว่าอุบาสิกาสัางขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้จิตยาหวั่นไหวนะ รายงานพระศาสดาหรือข่าเดวะองค์ควรจะเลืิญจิตของข้าพเจ้าไม่ตกเลยสามีและลูกทั้งสามสิบคนตายในสงครามยังไม่หวั่นไหวเลยทำได้ไหมทำได้ไหลนะถ้ามีใครแจ้งข่าวตูมลงมาไฟไหม้บ้านทำได้ไหมไม่หวั่นไหวอย่าว่าแต่ลมพัดอย่างนี้เลยยังนี่ไง ลักษณะอย่างนี้เ้าเรียกว่าไม่หวั่นไหวจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องไม่เคยมีมีแล้วเรื่องเหล่านี้มีแล้วเขาไม่หวั่นไหวเขาไม่สะทกสะท้านใดๆเลยตรงนี้เ็าเรียกว่าเป็นอารมณ์นาวาเป็นนาวาด้วยนะฐานอากุศลเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะทำให้ข้ามพ้นจากชาติทุกชาตทุกชาติทุกชาติทุกได้เป็นนาวา ตอนนี้เรามีเรือหรื อ, อยังเนี่ยยังไงเรือเราทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยวัตถุทานแต่ยิงขับเน้นเจตนาทานก่อนเนอะเจตนาจิตที่คิดจะให้จะเป็นนาวาจะพาเราข้ามจะวัดตทุกข์เนี่ยนาวาเนี่ยตอนนี้เราปล่อยเรือไปแล้วตอนเนี้ท่านถาปล่อยไปแล้วเรือมันจมน้ําหรือไม่เราคิดไม่ออกไงคนที่จเจริญทานกุศลไม่เป็นก็คิดไม่ออกจั <c oughs> นั้นคิดให้เป็นนะคิดให้เป็น ตรงนี้เราได้เปิดโรงงานกุศลแล้วเนี่ยนี่นะโรงงานกุศลเปิดแล้วอย่าปิดเอาคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆใช่ไหมคนที่คิดได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเป็นนาวาเป็นปัจจัยการพ้นทุกข์เป็นเชือกยึดเป็นอารมณ์นั่นเองคิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบๆก่อนทําก็คิดขณะทําก็คิดหลังทําแล้วก็คิดคิดให้เป็นกุศลนะไม่ใช่บอ คือในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขากลัวการคิดเยอะกลัวมากทันเวลาจะคิดแล้วโอ้โหกลัวกันจริงๆกลัวว่าจะเป็นการคิดฉะนั้นในชั้นของพระธรรมคําสอนอย่าไปกลัวการคิดเพราะการบรรลุธรรมเนี่ยเขาบรรลุได้โดยการคิดจิตเนี่ยอ ร, รัมมาังจินเตตี ต, ติจิตตังธรรมชาติของจิตคือธรรมชาติที่คิด คนที่ไม่คิดก็คือคนตายอย่นั้นเอะมีได้หรอกนั้นจิตนันเป็นธรรมชาติที่คิดแต่คิดให้มันถูกไม่จะคิดไปทั้งบาปอากุศลและทรมารละมุกคิดแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนแต่ใจจิตว้าวุ่นตลอดนันก็ห้ามคิดแบบนั้นนี่เป็นนาวาเป็นถามว่าเป็นผู้กล้าในสงคารามเพราะปลอบใจได้ถามบอกว่า คนที่จะเข้าในสงครามเนี่ยเขากลัวเราท่านทั้งหลายเนี่ยนี ย, ยามที่ประสบทุกข์เจียนตายทั้งหลายเหล่าเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นอะไรเป็นความกล้ า, าหาญทานาเจตนาเนี่ยเป็นความกล้าไม่กลัวตายหรอกไอ้ดูตัวอย่างเช่นเขาชนะตนหนีได้ไอ้ความตนันหนเป็นเสนามมานไง มันเป็นกองทัพของพญามารเมื่อเป็นกองทัพของพญามารมันก็บดขยี้เราแพ้ตลอดเราไม่เคยชนะมันเลยจิตที่คิดยจงให้ไม่มีแต่มากก็ซิโร่ลาฟไม่กล้าให้อ่ะกอดกลัวอยู่นั่นแหละไม่กล้าที่จะสลับกู๋แล้วเกินกลัวจะหมดกัวหมดเนื้อหมดตัวกลัวไปหมดนะกลัวไม่ได้กินบังกู๋เลยสารพัดเนี่ยไอตัวเนี้ยเราไม่เคยชนะมันได้สักทีแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะ เจตนาโยธาทานกองทัพนี้แข็งแรงมไหล่ก็ทำลายบุกทะลวงเลยที่สุดจริงๆก็ชนะได้เนี่าเรียกชนะสงครามที่ชนะได้ยากใช่ไความตะหนีเนี่ยมันเป็นตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์แห่งการล็พุ่งแต่ไม่ใช่ไปกล้าแบบบ้าบินแบบขาดข้อมนนูลนะยกตัวอย่างเช่นมีทหารกล้าคนลุกขึ้นไปก็ป ให้เขายิงตายนี่ยนี่ไม่ใช่การกล้าที่เป็นเจตนาเนี่ยที่เป็นทานเนี่ย เ, ยเขามีปัญญานําหน้าฉะนั้นปัญญาที่ออกหน้าแล้ววิจัยกุยทางให้ก็เข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมแล้วก็เจาะทะลุทะลวงได้เข้าใจมุมอมองอะไรต่างๆชัดเจนว่าเหตุที่ทําอย่างนี้ผลคืออะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ทําแบบประเภทที่ขาดปัญญาไร้ปัญญาไม่มีความข้อมูลไม่มีความเข้าใจมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ นี่ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นนั่นแหละเป็นพวกกล้าในสงามปรับใจได้ถามว่าอยู่ในสงฆ์เนี่ยนทุกข์ใช่ไหมมันทรมานแต่ถ้าคิดถึงทานในกุศลเนี่ยในยามที่เราประสบภัยทั้งหลายเราเนี่ยไม่กลัวหรอกถึงจะเดือดร้อนปัจจุบันในภพเนี่ยแต่เขารู้ว่าพบหน้าเขาได้ดีเขาไม่กลัวเลยเอาอย่างเรานั่งๆกันอยู่ในคนที่เคยโปรยทานไว้เยอะๆนเนี่ยไม่กลัวหรอก เขามโปรยทานคือโปวยเจตนานะขับเน้นที่เจตนาที่แข็งแรงที่สุดนะไม่ใช่ขับเน้นแค่วัตถุอนาถานี้ท่านเข้าใจนะถาพิธิการเศรษฐีแล้ท่านเป็นวัสดดาวันผู้กล้านในสงครามนะครที่สร้างไวด้ดีว่าต้านภัยต่างๆถ้ากำแพงเมืองทำไวด้ดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวภัย ถ้าเจตนาทานเนี่ยตึกได้จนเรียบร้อยแนละ้วก่อนทําก็ตึกจนบริบูรณ์ขณะทําก็ใไข้ควรจนบริบูรณ์หลังจากทําแล้วก็ไข้ควรจนบริบูรณ์เนี่ยไม่ต้องกลัวภัยราคะไปทําลายบุกทะลวงไม่ได้โทสะก็ไปบุกทลายทะลวงไม่ได้ความตนีความยึดติดก็ไปบุกไปทลายทำทะลวงไม่ได้มันเป็นอย่างนะั้นเนี่ยก็คิดดูทานในกุศลเนี่ยเป็นอุปนิสัยปัะจัยแก่มรรคต่ํามผลต่ํามได้เขาถึงบอกมี ให้สังเกดตดูว่าตัวทา น, นาเจตนานี่นไม่ไปทําลายเลยไปทําลายความโลภไปทําลายความดันนี้ใช่ไหมทำลายตลอดเวลาพอให้ให้ให้ให้ใหไปแล้วทาลายไปเรื่อยๆนั่นกิจของเขาผลปรากฏก็คือความสมบูรณ์ของตาหูจมูกเล่นกายใจความสมบูรณ์ของสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและวก็ทำอารมณ์แล้วก็ความสิ้นจากภพชาตินี่เป็นดอกปทุมเพราะไม่แปดเพื่อนด้วยมลทิน ถ้าถามบอกว่าทานเจตนาเนี่ยที่เป็นใบกุศลไม่แปดเพื่อนเนยอะไรคือความแปดเพื่อนความตันี <c oughs> เป็นวนทินนะความห่วงความยึดติดความตนันีเอางี้นะเราเดินมาเนี่ยในเชตะวันเนี่ยเราเห็นดอกไม้สวยๆก็เยอะเห็นมแทนที่จะสละแทนที่จะบริจาคแทนที่จะน้อมถวายบูชาเป็นแต่ก็ไปชอบซะนี่ดูสิเนี่ย เสียหายซะอีกแล้วทั้งๆที่รู้ข้อมูลนี่แหละเดินมาโอ้โหงามใช่ไหมโอ้โนี่เขสร้างไว้งามนะก้อนอิดก็งามนะสวนไผ่นี่ก็งามนะอะไรเงี้ยเออคนนั้นแต่งตัวก็งามนะอะไรเงี้ยเสร็จเลยเรียบร้อยอันนี้แปลว่าอะไรแปดเพื่อนแล้วแปดเพื่อนมุนทินแล้วไอ้โลผ้างไงเป็นมุนทินไหมความตันหนีเป็นมุนทินไหมโทสะเป็นมุนทินไหม ความยึดติดเอยทั้งหลายเหล่านี้เป็นมลทินหมดเลยนี่ทานไม่แข็งแรงเห็นนี่ยังถ้าทานนเจตนาที่เป็นไปกับกุศลแข็งแรงแล้วมลทินคือความตนหนีทั้งหลายมลทินคือราคะความกำนัดความยินดีความเพลิดเพลินความโกรธความเครียดทั้งหลายความลุ่มหลงความลังเลสงสัยต่างๆเหลา่านี้มันจะแปดเพื่อนในใจได้ไหมมันแปดเพื่อนในใจไม่ได้หรอกเพราะมันทํำลายแล้วตอนนี้เป็นดอกปทุมหรือเป็นดอกอะไรดีถ้าทานาเจตนาต้องเป็นดอกปทุมสิ บานงดงามเลยใช่ไหมไม่แปดเพื้อนเลยไม่แปดปื้อนด้วยความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินทั้งหลายไม่กำหนัดในลมเป็นที่ตั้งความกำหนัดไม่ขัดเครืองในร ม, มันเป็นที่ตั้งความขัดเคืองไม่รุ่มหลงในรมเป็นที่ตั้งความรุ่มหลงมองเห็นชัดไหมในเนี้ย